กันยาช่วงปลายเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับราชการก็ดีใจเพราะใกล้เกษียณแล้วบางคนก็ใช้เวลาเนี่ยได้พักผ่อนหรือทำสิ่งที่ตัวเองชอบแต่บางคนก็ต้องไปทุกข์จากกา ร, กรเกษียณเขาจะต้องอยู่กับความเหงาถ้าเป็นราชการที่ยศตำแหน่งใหญ่โตผู้คนที่เคยห้อมล้อมก็จะไปออกใจ เจ้านายคนใหม่ที่จะมาแทนตาแหน่งเดิมชีวิตก็จะเปลี่ยนถ้าคนที่กเกษียณวางใจไม่เป็นก็จะทำให้ทุกข์มากเลยภาก็เหมือนกันภาถ้าเกิดยึดติดกับสมณศักดิ์หรือหัวโขนที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ทุกข์ใจได้อย่างบางครั้งคนก็เรียกเราอาจารย์บางก็เรียกหลวงพี่ หรือบางคนไม่ทำความเคารพ ก, ก็มีหรือครูบาอาจารย์ที่มียศเมื่อจะเป็นพักครูเจ้าคุณหรือสม เ, เด็จเนี่ยถ้าไปแล้วไม่มีใครรู้จักเขาไม่มาต้อนรับไม่มาทำคว า, เามเคารพมรทีก็กทุกได้เ <c oughs> พราะแต่ละแต่ละคนไม่สามารถกําหนดให้เป็นปแรงใจที่ต้องการได้เลยเราจึงติดสมมุติไม่ได้เลยสมมุติโขขน ก็ไปไปตามเหตุการณ์มีชายอยู่คนหนึ่งเป็นครูสอนหนังสืออยู่แถววัชเกตแกก็เป็นคนที่เครียดกุ้มใจเรื่องงานไม่รู้จะทำไงก็เลยเดินขึ้นภูเขาทองขึ้นไปถึงข้างบนภูเขาทองเนี่ยมองไปลอกลกรุงเทพเนี่ยจะเห็นทิวทัศน์ที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเลย ก็ทำให้จิตใจสบายสามารถปล่อยวางเรื่องที่เคลียรได้การขึ้นที่สูงสามารถปล่อยวางหรือหายเครียดได้อะมาเคยขึ้นเครื่องบินนะขึ้นเครื่องบินเรามองไปข้างล่างโอ้เห็นก้อนเมฆเห็นข้างล่างเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเลยนะขนาดที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยให้เรื่องอี้เรื่องจริงบางคนถ้าไปอยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยก็จะมีความสุขมากเลยอย่างอะมาก็ชอบขึ้นเขาสูงๆเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ที่อยู่ของเรานะ ไปแล้วเราก็ต้องลงมาอยู่ดีครู ค, คนนี้ขึ้นผัวทองขึ้นแล้วมีความสุขคลายเคยรียดแกก็เลยขึ้นบ่อยๆบางวันขึ้นทั้งสองสามรอบวันแล้ววันเล่าเจ้าหน้าที่ก็จําได้จำครูคนนี้ได้อะมาอีกแล้วแค่ขึ้นจะเป็นพันๆครั้งเลยนะะขึ้นทั้งปีเลยอยู่วันหนึ่งก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ นักข่าวรู้จักยามแล้ว่าโอ้โหคูเนนียขึ้นหัวทองเก่งมากและทำลายทสถิติไม่มีใครขึ้นแบบนี้มาก่อนนักข่าวก็เอาไปลงเอาไปลงในตอนหลังก็ครูคนนี้ได้ออกโทรทัศน์ด้วยเลยดังกันใหญ่เลยพอไ ด, ได้ฉายาว่าเป็นนักขึ้นูหัวทองตอนหลังคนอื่นก็อยากจะเป็นนักขึ้นหัวทองมั่งตอนนี้เรามีคู่แข่งแล้ว คูคนี้เคยขึ้นวันละสองสามรอบเนี่ยขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจนะขึ้นแบบสบายๆไม่ได้คิดอะไรแต่คนอื่นอยากทําสถิติไงเพื่อขึ้นผัวท อ, อให้มากกว่าบางคนขึ้นวันจะเป็นสิบรอบเลยครูนี้เริ่มทุกข์แล้วเริ่มมีคู่แข่งแกก็เลยต้องขึ้นหัวท อ, อให้มากกว่าเดิมเพราะกลัวเสียสถิติจากเดิมขึ้นเล่นๆตอนนี้เริ่มเครียดแล้วเพราะบางคนก็สถิติใกล้แกแล้วอันนี้แกก็ทุกข์เพราะแกติดสมมติไง ถ้าแกไม่ติดสมมุติเอาขครอยากขึ้นหัวทองควญญตตามกี่แต่รอบมาขึ้นไปแกก็มีความสุขคนเราทุกข์ก็พอยึติดสมมุติติดหัวโขนก็ดูอย่างขูดคนนี้เป็นตัวอย่างถ้าเรื่องสมมุตินําเรื่องเล่าที่ดีมาก็มีของสมเด็จพระจานทร์โตด้วยแหละท่านจะมีสมมุติน้อยมากเลยเป็นคนที่บางน้อยสันโดษอารมณ์ขันและมีการสอนธรรมะที่แปลกๆไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครั้งหนึ่งที่ท่าน มียศเป็นเจ้าคุณพระธรรมกิติตอนนั้นในหลวงก็ให้ไปเป็นสมภารวะัละรังหลังจากออกจากพระปรมมหาราชวังเนี่ยก็ได้พัดยศเครื่องไทยธรรมย่ามของต่างๆอีบ้ากวายลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอาสาจะขนไปส่งที่วะละัลคังหลวงพ่อโตไปยอมท่านขนเองพลุงพลังไปหมดเดินมาที่ท่าน้ำเพื่อคําฝาก ท่าน้ำน่าจะอยู่แถวท่าช้างแหละสมัยก่อนก็อาศัยนั่งเรือจ้างเรือแจวอะข่าวว่าหลวงพ่อโตเนี่ยจะมาคองวัดละคังเนี่ยรู้ถึงพระเนราตาโยมก็ออกมารอต้อนรับตรงหน้าวัดละคังเต็มไปหมดเลยภายในก็คาดหวังว่าหลวงพ่อโตเนี่ยคงจะมาแบบยิ่งใหญ่มีคนมาส่งมากมายเพื่อสมเกียรติ ทุกสายตาเหลือบไปเห็นเรือจแจวแหะค่อยๆเข้าใกล้เข้ามาหลวงพ่อโตมาอย่างเดียวดายมาผู้เดียวทุกคนรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เป็นไปตามทีทท่คิดไว้คันถึงฝั่งหลวงพ่อโตก็ถือของเนี่ยเดินรอบบรรลังค์พระเนนชาวบ้านก็เลยเดินตามด้วยเดินจนครบรอบหลังจากนั้นถ้าขึ้นกุฏิปิดกุฏิเลย ก็สร้างความแปลกใจให้กับพระชาวบ้านเพราะปกติเนี่ยท่านก็ต้องเปิดกุฏิต้อนรับไงให้พระมากราบหรือประชุมสงฆ์เพื่อมอบหมายงานแต่ท่านไม่ทำงั้นท่านปิดกุฏิไม่รับแขกท่านท่านก็แสดงให้เห็นว่าท่า น, นพอใจในความมากน้อยจัดส่ของตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนี้เป็นสมเด็จแล้วตอนนั้นเป็นเจ้าคุณอยู่ท่านได้รับกิจธิบวนไปฉันเพลที่บ้านแห่งหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่น้ำลดท่านก็ไปโดยเรือสำปั้นมีลูกศิษย์เนี่ยปายหัวปลายท้ายแต่ช่วงเข้าบ้านโยบเนี่ยเข้าไปได้เพราะน้ำแห้งติดเลติดโคนลูกศิษย์ทั้งสองคนก็ลงไปช่วยกันเข็น เข็นก็ยังไม่ค่อยไปหลวงพอโตเลยทรกีวรลงไปเข็นด้วยชาวบ้านแถวนั้นเห็นชึงร้อตะโกนว่าเร็วๆผู้เรามาช่วยกันสมเด็จเข็นเรือโว้ยหลวงพอโตหันมายิ้มกับชาวบ้านเอ่ยขึ้นว่าฉันขวัวโตจ้าไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่บนเรือนูน่นแล้วทางอาชีพธิพัทยศที่นํามาด้วยพัยดรดพยศอยู่บนเรือ อันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดติดตัวตัวของท่านหลวงพ่อโตไปไหนท่านก็จะพายเรือเองนะบางครั้งมีคนพายแต่ท่านก็ชอบพายเองมากกว่าสมัยก่อนชีวิตของพระจะเรียบง่ายนะ่งเพราะไม่มีรถไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเหมือนสมัยนี้ไปไหนมาไหนก็ใช้เรือชีดหลวงพ่อโตเน่ยไิจรักิจที่หมดไปไหนจะใช้เรือไปส่วนใหญ่ บางที่ก็ดูน่าจะพายหรือเดินทางเป็นวันเลยแต่ก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ด้วยความที่ท่านเป็นเจ้าว่าบางครั้งรู้สึกรูกหาก็อวยท่านเกินไปเวลาถามอะไรหรือปรึกษาอะไรก็ดีแล้วครับมันก็ได้คำตอบที่แบบเชิงประจบก็ทำให้ท่านรู้สึกอิดัดใจ ซื้หาอุบายเพื่อสั่งสอนลูกศิษย์ในวัดวันหนึ่งก็คิดึ้นมาได้เพราะวันนั้นมีโยมนําแกงร้อนขุนเส้นชามใหญ่เลยมาถวายท่านก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยนำแกงรุ้ขนเส้นเนี่ยใส่ที่กระทะใบบัวใบใหญ่แล้วก็ให้ลูกศิษย์ไปเก็บผักบุ้งตามคลองนี่แหละแล้วมาหั่นหันหั น, ห น, หนแล้วก็เอาผักบุ้งใส่ผส ม, มลงไปแล้วก็นํา กับข้าวที่เหลือตอนเช้าแหละมาเทใส่รวมกันซึ่งตอนนี้ดูไม่น่ากินเลยหลังจากทำเสร็จหลวงพ่อโตก็ประกาศให้พระเนนออกมาฉันมือเพนกันบอก oh, ว่าสมเด็จทำเองกับมือเลยนะถึงเวลาพระเนรในวัดก็มาตักอาหารไปฉันกันถึงตอนเย็นทำวัดที่โบสถ์ หลวงพ่อโตท่านก็ไปดักรอพระเนรที่ขึ้นบทอ่ะมันก็ถามที่อารูปเลยว่าแกงร้อนที่ฉันทำเนี่ยอร่อยไหมจ๊ะคนแล้วคนเล่าก็ตอบว่าอร่อยดีครับถามจนถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายที่เป็นหลวงตาบวชมานานขัวตาแกงร้อนที่ฉันทำอะ่ะใช้ได้ไหมขัวตามองหน้าหลวงพ่อโต เลยคินว่ามันไม่ไหวจริงนะพระเดชพระคุณท่านกับผมเนี่ยเทให้หมาหมามันยังไม่กินเลยหลวงพ่อโตก็พัดมือสาธุขัวตาเนี่ยเป็นผ้าแท้มีศีลบริสุทธิ์หลังจากเยน็นวันนั้นทำวัดเย็นเสร็จหลวงพ่อโตก็ได้นำเรื่องนี้แหละมาอบรมสั่งสอนพระในวัดให้อย่าพูดโกหกให้พูดตรงไปตรงมาโดยยกเอาขัวตาเป็นตัวอย่าง เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเจ้ า, าว่าทั่วไปที่รู้ว่าอยากเอาใจบางครั้งทําอะไรก็ดีแล้วก็งานไปหมดถ้าเจ้ า, เาว่าไม่มีสติหรือไม่เป็นยาเนี่ยก็จะหลงง่ายๆเลยหลงแต่ถ้าเขาเป็นยาก็าดุกบองบองออกแล้วไม่ไปตามสมมุติเอาเล่นตามสมมติเท่านั้นเองถึงเวลาก็ปล่อยวางใครอยากเอาใจเอาใจไปใครที่ไม่ชอบก็แล้วไปไม่ยึดติดกับสมมุติทั้งเรื่องนี้ก็สําคัญนะเรื่องสมมติเนี่ย มีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าจากอินเดียมีชายคนหนึ่งชื่อว่ารามชายคนนี้เป็นคนตัดฟืนแค่ต้องออกจากบ้านในเช้าเลยเช้ามืดเพื่อไปที่ป่านอกหมู่บ้านหลังจะตัดฟืนเสร็จก็ต้องรีบบรรทุกฟืนเนี่ยขนใส่ลาบรรทุกมาขายในหมู่บ้านก่อนที่ตลาดจะปิดทำอยู่เช่นี้วันแล้ววันเล่ารามก็มาคุ้นกับ หลวงพี่อยู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านจะเดินผ่านมบิรฑ บ, บาต ท, ที่หมู่บ้านตอนเช้าเห็นหลวงพี่แกก็กราบวันแล้ววันเล่าจนมักคุ้นหลวงพี่ก็ยิ้มให้แล้ววันหนึ่งหลวงพี่ก็ไปเจอลามที่กำลังตัดฟืนยอยู่ในป่าเกรยถามโยมจะขนเศษไม้ น, นี้ไปตลอดชีวิตหรือไงลามก็ตอบว่า ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองไม่มีความรู้อะไรถ้าไม่ทำครอบครัวก็ลำบากจึงจำเป็นต้องหาฟืนขายหลวงพี่บอกเอางี้ ก, ก็แล้วกันโยมข้ามเ ข, า, มขาไปอีกลูกหนึ่งนะจะเจอคอ ด, ดินที่มีสี เ, เขียวๆปนอยู่ให้โยมเนี่ยเอาไปถลุงอันนั้นคือแรกเงินแล้วจะขายได้ราคามากกว่าฟืนชีวิตของโยมคงดีขึ้น หลางก็ดีใจแล้วทําตามที่หลวงพี่บอกจนตอนนี้ฐานะเริ่มดีขึ้นละผ่านไปสามปีก็เจอหลวงพี่อีกหลวงพี่กระทักเหมือนเดิมโยมจะขนเศษดินไปตลอดชีวิตหรือไงคำถามนี้ทำให้ลามคิดขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็นคำถามที่เปลี่ยนชีวิตเอา้าหลวงพี่มีอะไรดีๆแนะนำหรือครับครั้งนี้ มีสิโยมข้ามเขาไปอีกรูปหนึ่งไปที่นั่นเนี่ยโยมจะเจอหินชิ้นหนึ่งเป็นแร่ทองมีแร่ทองคําแต่หายากเลยนะแต่มันราคาดีกว่าแรกเงินให้โยมเก็บแล้วนำไปขายจะทำให้ฐานะดีขึ้นลามก็ทำตามไปเก็บแร่ทองขายตอนนี้ลามก็เริ่มรวยแล้วเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านการเวลาผ่านไป ลางก็เจอหลวงพี่ทีนี้หลวงพี่ก็ถามเหมือนเดิมแหละโยมจะเก็บเศษโลหะขายตลอดชีวิตหรือไงอ้าวหลวงพี่มีอะไรดีนะแนะนำครับนู่นข้ามเขาไปลูกหนึ่งจะเจอหินไม่เล็กๆหรือก้อนกวดเนี่ยอันนั้นคือเพชรแต่หายากนะให้โยมเนะี่ยเก็บเพชรไปขายแล้วจะรวยขึ้นลางก็ทำตาม เลิกตัดฟืนเลิกหาแร่เงินเลิกหาทองไปหาเพชรแทนตอนนี้ก็เลยเป็นเศรษฐีใหญ่มีความสุขแต่แกก็โลภนะลามในโลกแถวไหนก็นไม่เคยรู้จักพอวันนึงก็เจอหลวงพี่แต่ก็ผ่านมานานพอสมควรหลวงพี่ก็ยิ้มแล้วก็เอ่ยปากถามโยมจะเก็บก้อนกลวงนี้ไปตลอดชีวิตหรือไง หล า, างก็งงแล้วบอกหลวงพี่มันมีอะไรที่มีค่ามากกว่าเพชรเรามีที่โยมข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งโยมจะพบกุฏิอาตมาที่นั่นมีน้ำตกมีธรรมชาติล่มลื่นเงียบสงบโยมไปปฏิธรรมกับอาตมานะจะมีความสุขตอนนี้หลามไม่เชื่อละ หลังจากตอนแรกเชื่อผมไปไม่ได้หรอกถ้าไปเดี๋ยวผมก็ไปรบกวนงความสงบของหลวงพี่เปล่าผมยังไม่พร้อมหลวงพี่ก็บอกไม่เป็นไรถ้าพร้อมเนี่ยค่อยไปก็แล้วกันสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ ม, มันไม่มีเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาธมาเนี่ยก็เคยเก็บแร่เงินแร่ทองแล้วก็เพชรเนี่ยมาขายก่อนโยมอีก แล้วฐานะร่ำรวยแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหลังจากมาบวชมาปฏิบัติธรรมจึงรู้ว่าเนี่ยคือความสุขความสงบที่แท้จริงถ้าโยมพร้อมเมื่อไหร่ก็มาอยู่ด้วยกันนะเรื่องนี้ก็จบคนทั่วไปก็จะมีความคิดเหมือนกาับาล่ามน่แหละชอบในวัตถุ อยากได้อยากมีอยากเป็นกวการสูญเสียสูญเสียทุกสิ่งอย่างเสียตัวตนสูญเสียสีตัวเองยึดถือไว้แต่ถ้าปล่อยวางไม่ยึดถือชีวิตก็เบาสบายขึ้นอย่างชีวิตนักบวชเนี่ยก็ถือว่าทุกน้อยกัโยมนะถ้าใช้ชีวิตเป็นนะเพราะนักบวชไม่ได้ดินน้นรนหาเงินหรือชื่อเสียง ช, ช้วิตเองง่ายกุฏิกะหลังเล็กๆไม่มีอะไรใช้ชีวิตแบบปิทะบาทเลี้ยงชีพไปไหนมาไหนก็มีอยู่ชุดเดียวแหละชุดเดิมๆพวกญาติโยมก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าเมื่อตั้งแต่หัวจดตีเลยบางทีก็ลองรองเท้าก็ลองเปลี่ยนใหม่เสื้อผ้าก็ลองเปลี่ยนอยู่เรื่อยไปตามยุคตามสมัยคือชีวิตก็วุ่นวายแต่ก็ต้องหาเงินเพอาะสุสิข อ, อย่างต้องใช้เงินไง ทำให้เครียดง่ายบางคนก็นอนไม่หลับเลยกลางคืนก็เป็นฟันกลางวันก็เป็นไฟกลางคืนก็คิดไว้พวงนี้เราจะไปทําอะไ ร, ไอะไรตอนเช้าตื่นขึ้นมาทำตาที่คิดได้นแหละจนบางคนเดือดทำงานหนักจนป่วยก็มีป่วยป่วยแล้วก็ต้องไปหาหมอเสียเงินรักษาตัวเองเองีกคนเราที่ที่ป่วยก็ความเครียดก็เยอะนะความเครียดเดี๋ยทําให้กินก็ไม่ค่อยได้นอนก็ไม่ค่อยหลับเพรความยึดถือนัแหละแต่ถ้าเราหันมาปล่อยวาง ชีวิตเราก็เปลี่ยนรู้เท่าทันสมมุติที่มีอยู่ในโลกเนี้ยสมมตสมมติเป็นยังไงเราก็ทําตามไปไปตามสมมุติทำตามหน้าที่แต่เราไม่ยึดติดสมมุติถ้าเกิดเราทําตามสมมุติแล้วยึดจริงๆเนี่ยทําให้ทุกง่ายเลยแหละเพราะสมมติมันเปลี่ยนตลอดไงเดี๋ยวก็เป็นถ้าเจอเจอลูกเราเราเป็นพ่อถ้าเจอพี่เราเป็นน้องเจออาจารย์เราเป็นลูกศิษย์เจอลูกศิษย์เราเป็นอาจารย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีแทาไม่ทันเลย ถ้าเจอเจอคนที่มักคุ้นก็เป็นเพื่อนเปลี่ยนฐานะอยูแล้วฐานะเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างบางคนอนนาจารย์ภาษาเคยเล่าว่ามีเพื่อนท่านเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นนักปกถาที่เก่งมากเลยนักพิทยากรเน่ยไปพูดที่ไหนเนี่ยคนฟังเน่ยมากมายอ่ะแต่เวลาอยู่กับเมียคือแกเปนคนผมน้อยนะแต่งตัวก็ง่ายๆเมียเขาคอยมาบังคับไง ให้หวีผมบ้างให้แต่งตัวให้เรียบร้อยบ้างตอนหลังแกไม่พอใจแต่แกไม่ได้ด่าเมียนะแต่แกรูสึกโอ้ยรู้ไหมนะ่ะกูเป็นใครเนะี่ยเป็นนักวิทยากรระดับชาตินะเมียมาเจ้าี่ิจการพอตอนหลังแกก็รู้ว่้ยแกเนี่ยหลงสมมุติเพราะว่าอยู่กับเมียเราก็เป็นสามีเราก็ต้องเป็นสามีที่ดีเราก็วางวิทยากรไว้นอกบ้านอย่าเอาเข้ามาในบ้าน เราใช้สมมุติให้เป็นชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีเสื่อมีอินทาก็ข้องงันจิตใจเราได้ได้น้อยลงเสียก็เสียไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเลยแค่ยืมใช้ชั่วคราวจยบทอภิษฐรพเจ เ, เอกเนี่ยที่เรามานําส่วนเนี่ยบทเนี้ก็ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บ เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาความพัดภาคจากของรักขอ ง, ของใจเป็นธรรมดาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยถ้าเราพิจารณาบ่อยเราก็เห็นสจะทมชีวิตได้บางครั้งความป่วยมันก็มาเตือนเราละความเจ็บความป่วยนะมาเตือนเราไม่ให้เราประมาท ถ, ถ้าเกิดไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็ประมาทอย่างช่วงนี้ทุกคนเ็ชีวิตเปลี่ยนเพราะโรคโควิดไงไปไหนเมื่อไหนก็ยากเป็นกันทั้งโลกเลยทําให้ทุกคนก็ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบลาบากอึอดอัด แต่ม um ันก็มีธรรมะสอนอยู่หลายเรื่องถ้าเรามองไม่เป็นหาชีวิตเราก็ผ่านได้มองเป็นธรรมดาเดี๋ยวโควิดก็หายไปหมอเห็็นสัจธรรมอนณาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาสุดท้ายที่จะขอให้ญาติโยมมีความสุขความจริยธรรมที่ขึ้นไปเอวัง